แต่ในอัปทานภาคสองนี้มีประวัติของพระสาวกต่างๆที่เป็นพระเถระหนึ่งรรูปพระเถรี40สรูปในที่นี้จะแสดงตัวอย่างอัปทานคือข้ออ้างหรืออดีตประวัติของพระเถระห้ารูปของพระเถรีห้ารูปคือ 1. มหากัจยานะเถราประทาน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 จำเนียนการล่วงมาก็เป็นไปสมตามที่ปรารถนานั้น 5. มหากริตะเทราประทานข้ออ้างหรือประวัติของพระมหากริตะเทระในครั้งนั้นข้าพเจ้าหมายถึงพระมหากริตะเป็นพรามผู้ถึงฝั่งแห่งพระเวทในกรุงหังสวตตีได้เข้าไปเฝ้า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 และจะไปกราบทูลขอพระพุทธานุญาตแม้นางภิกษุณีอื่นๆื่นหรูปมีพระนางเขมาเป็นต้นก็นึกในทํานองเดียวกันจึงพร้อมกันไปเฝ้ากราบทูลลาบริณิพานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสประธานอนุญาตแล้วก็มีผู้เลื่อมใสแสดงความโศกพระนางจึงแสดงธรรมสั่งสอนและเล่าพระประวัติ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 ก็ได้ทำเช่นเดียวกับพระนางอุปลว น, นาซึ่งจะกล่าวต่อไป 3. อุปลว น, นาเทรียาประทานข้ออ้างหรือประวัติของพระนางอุปลว น, นาเทรีในการนั้นข้าพเจ้าหมายถึงพระนางอุปลว น, นาเป็นน้าคกัญญานิมนพระบุตรมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า